คสมาคมได้ขอให้วัดทุกวัดนะทั้งประเทศสแสดงธรรมนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร์บดินทเทพยพระวรังคูลนะในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุนะ65สนะิพรรษาในวันที่28รกรกฎานีนะ้แล้วก็หัวข้อหรือว่ากัน ที่จะแสดงทั้งประเทศนะในวันนี้นะทางมาเตรสมาคมก็กำหนดนะว่าให้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสุจริต ธ, ธรรมกถาก็คือธรรมกถาว่าด้วยความสุจริตนะเรื่องสุจริตเนี่ยก็เป็นธรรมะที่สำคัญนะในพุทธศาสนาพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเป็นภาษิตไว้ว่าเนี่ย บุคคลควรประพฤติ ธ, ธรำให้สุจริตคำ ว, ว่ารำมะในที่นี้เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงคําสั่งสอนนะแต่หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เราประกอบกิจการงานนะคำ ว, ว่าทำรรเนี่ยมีความหมายหลายอย่างบางทีก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะอย่างเช่นทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หรือว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสาเร็จได้ด้วยใจเนี่ยคว่าทำในที่นี้ก็หมายถึงทุกอย่างหรืออาจจะหมายถึงเฉพาะจอะจงนะเช่นไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยก็ให้มันเป็นธรรมะให้มันเป็นความสุดจริตอย่างที่พระองค์ตัดเป็นภาษิตว่าเนี่ยบุคคลควรประพฤติทาให้สุดจริตเนี่ยนะก็ ถ้าจอดจงก็หมายถึงการทำงานทาการการทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าทำอะไรเนี่ยนะก็ให้มันเป็นไปอย่างสุดจริตแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราจะแปลธรรมะในที่นี้ว่าข้อควรประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะข้อควรประพฤติปฏิบัติก็เช่นเสีย น, นะหรือว่าทานนะ หรือว่าภาวนาพวกนี้ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเมื่อเราทําแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีเสมอไปนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมเช่นให้ทาหรือรักษาศีลเนี่ยก็เพื่อสนองกิเลสก็มนะีเพื่อความมักใหญ่ใฝ่สูงก็มีเพื่อสร้างภาพก็มีนะหรือว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปเพื่อความดีงาม อันนี้ก็เรียกว่าประพฤติธรรมแบบไม่สุจริตนะแม้ว่าจะเป็นการให้ทานเป็นการรักษาศีลก็ตามเช่นรักษาศีลเพื่ออวดคนอื่นหรือให้ทานนะเพื่อสร้างภาพอันนี้ก็เรียกว่าไม่สุจริตนะคือว่าไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทานมันก็มีคำพูดว่าเนี่ยนะทำบุญเอาหน้านะภาวนาตอแหละนะอันนี้เป็นสำนวน ซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยดีแินละนะแต่สมัยที่ตมาเป็นเด็กเนี่ยก็เคยได้ยินนะเป็นคำเตือนเป็นคาวิจารณ์นะการให้ทานหรือการภาวนาว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างสุดจริตแต่ครั้นี้เนี่ยนะเราจะมาพูดถึงความหมายนะในความหมายแรกก่อนนะว่าธรรมเนี่ยคือว่าการทำการงานต่างๆการทำงานต่างๆเนี่ยก็ควรทำให้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 5 0 0 0มบ้างแสนหนึ่งมัง่งนะอันนี้รลยวว่าเป็นการทำหน้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่ในทางทุจริตนะคือหนึ่งกันแกล้งไอ้ที่กันแกล้งก็เพราะหวังผลประโยชน์นะบางทีนะบางคนเนี่ยนะถูกจับเพียงเพราะว่าผัวเนี่ยนะผัวเสพยาหรือผัวอาจจะค้ายาด้วยส่วนใหญ่เสพยาคายานี่มันมันก็คนเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าเสพยามากๆเนี่ย ไม่มีเงินนะไม่มีเงินก็ต้องหารายได้จากการขายยานะซื้อมา10เม็ดนะขายไป8เม็ดก็คุ้มละนะก็เท่าทุนละอีก2เม็ดก็เอาไปเสพเองนะถ้าอยากเสพก็ต้องไปขายขายยาขาย8เม็ดก็ได้2เมนะ็ดตำรวจก็อยากจะจับพัวนะแต่ไม่มีหลักฐานนะก็จับเมียแทนนะยัดยาให้เมียเนี่ยวันแบบนี้ก็มีนะ อันนี้เราเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเป็นการกั่นแกล้งแต่การกั่นแกล้งนี้ก็เพื่อหวังประโยชน์นะหวังเงินสินบนนะเพื่อให้เขาเป่าคดนะีอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งที่จริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะข้าราชการนะที่มีอำนาจหน้าที่ในทางจับกลุ่มนะนะขา้าราชการทาหน้าที่อื่นก็เหมือนกันทาหน้าที่เซ็นแบกอนุ ญ, ญาตนะ เมืองไทยมันมีกฎระเบียบเยอะนะจะไปขออนุญาตนะขออนุญาตขอต่อทะเบียนรถนะสมัยก่อนก็ต้องยัดเงินนะหรือว่าจะไปทําทบัตรประชาทําใบขับขี่นะบางทีก็ไม่อยากจะเสียเวลาก็ยัดเงินนะหรือว่าทําทหน้าที่เซนะ็นใบอนุญาตให้กับ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 คือการละเว้นนะการละเว้นการไม่ทําทุจริตเมื่อประสบเหตุเฉพาะหน้านะเช่นมีคนลืมนะเงินเอาไว้หมื่นหนึ่งหรือแสนหนึง่งหรือล้านหนึงห 100, น่งนะบนโต๊ะหรือว่าในรถแท็กซี่นะคนขับรถเนี่ยนะเห็นเงินหรือว่าคนในสํานัก ง, งานเห็นเงินนะหรืออาจจะเป็นทองก็ได้อาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้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 เจ้าหน้าที่นะหนึ่งมืนเข้ามายื่นผลประโยชน์ให้ก็ไม่รับเพราะว่ามีหิริโอตปะหนะิริโอตปะหิริก็คือความอายชั่วอตปะคือกลัวบาปนะอายชั่วกลัวบาหิริเนี่ยมันหมายความว่าหมายความว่าจะลึกถึงชื่อเสียงวงตระกูล หรือว่าภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามีความเคารพตัวเองแม้โอกาสเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่ทำเพราะเคารพตัวเองนะหรือว่าพ่อรู้ว่าเรามนะีเรามีชื่อเสียง เ, เรามีวงตระกูลนะพ่อแม่สั่งสอนมาความละอายละอายชั่วก็เลยไม่ทำหรือกลัวบาปนะกลัวว่าทำไปแล้วเนี่ยนะมันจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจตามมา นะกลัวบาปนีนะ่ท่านก็บอกว่ามี4อย่างนะอันแรกเนี่ยคือว่าท่านเรียกว่าอัตตานุนะอัตตานุวาทภัยคือกลัวที่จะตําหนิตัวเองนะคือทําไปแล้วเนี่ยกลัวจะมีเสียงบน่นเสียงตําหนิของตัวเองคือความรู้สึกผิดนะกลัวว่า ตัวเองเนี่ยจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ามันตําหนิตัวเองอยู่ข้างใ น, นก็ไม่ทําหรือว่าปารานุวาทน์ภัยนะก็คือว่ากลัวคนอื่นเขาตำหนินะกลัวเขาจับได้แล้วเขาจะประจานทางเฟซบุ o กนะก็ไม่ทำนะหรือว่ากลัวสิ่งที่เรียกวัฒนภัยก็คือภัยที่เกิดจากกฎหมายบ้านเมืองนะเขาจับได้ก็ติดคุกนะถูกปรับนะอันนี้ก็กลัว หรือกลัวทุคติภัยกลัวว่าจะไปลนรกนะอันนี้ก็ทําให้นะไม่ทำนะละเว้นนะการทุจริตอีกข้อหนึ่งนะเป็นการละเว้นเหมือนกันนะวิรัตประเภทที่สองท่านเรียกว่าสมาทานวิรัตก็คือละเว้นเพราะได้สมาทานศีลไว้แล้วอย่างที่บอกไว้สักครู่เนี่ยว่าศีลเนี่ยมันเป็นช่วยกํากับนะมันเหมือนรั้วที่กันเราไว้ไม่ให้ทําสิ่งที่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 คดโกงเนี่ยมันก็ไม่มีนะงั้นสมาธานวิรัติเนี่ยก็เป็นตัวช่วยทําให้ละเว้นการทุจริตได้ข้อที่3เนี่ยคือสมุทเฉ็รวิรัตนะก็คือละเว้นการทุจริตเพราะว่าไม่มีกิเลส น, นะที่จะทำให้เกิดความอยากจะผิดศีลนะอันนี้ก็หมายถึงสภาวะจิต ข, ของพระอรหันต์หรือพระญยบุคคล อันนี้สาหรับพวกเราเนี่ยนะสองข้อแรกสําคัญนะสัมปติวิรัตเนี่ยกับสมาทานวิรัตที่จริงฮิริโอตปากับศีนเนี่ยมันมาด้วยกันนะคนเราเนี่ยจะรักษาศีนได้มั่นคงเนี่ยมันต้องมีฮิริโอตปานะถ้าไม่มีฮิริโอตปาไม่มีความอายชั่วกลัวบาบเนี่ยนะมันก็ผิดศีนได้ง่ายรักษาศีนยังไงก็รักษาไม่ได้ถ้าไม่มีนะความาละอายชั่วกลัวบาป คนสมัยนี้ไม่ค่อยกลัวบาปกันและนะพอะคิดว่านรกไม่มีจริงและคิดว่าเนี่ยถ้าถูกจับนี่ก็เป่าคดีได้เอาเงินเอาเงินยัดนะเรียกว่าเป่าคดีเพราะฉนั้นเนี่ยไอ้ทันตภัยทุกขติภัยก็เลยไม่มีอยู่ในจิตสํานึกนะยิ่งความละอายลายในบาปเนี่ยหรืออายชั่วเนี่ยมันก็ไม่มีนะมันก็ทําให้การที่จะตั้งมันอยู่ในสี่งก็ยาก แต่คนเราถ้าฉลาดเนาะก็จะรู้ว่าอาการรักษาศีลนี่แหละนะมันเป็นการรักตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยผู้เจ้าตัดว่านะคนฉลาดเนี่ยนะนะคนเรียกว่าท่านเรียกว่าคนชั่วหรือคนผ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัว เ, เหมือนเป็นศัตรูย่อมทํากับตัว เ, เหมือนเป็นศัตรูมายความว่าไงมากควว่าทําร้ายตัวเองหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวด้วยการผิดศีล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 มีเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะมีอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยิ่งเวลาเห็นคนอื่นเนี่ยเขารวยเอารวยเอานะไอเราเนี่ยยังมีรถแค่คันเดียวนะคนหนึ่งเขามีสองคันนะราคาเป็นล้านหรือหลายล้านเนี่ยท่านันที่ตัวเองนี่ย ก, ก, ก็พออยู่พอกินเหลืออยู่สบายแล้วแต่ว่าพอเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าเราเนี่ยมันก็เกิดโลภะ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 วนนั้นอยากจะมีความสุขมันก็ต้องไปหาวัตถุสิ่งเสพมาเยอะๆยิ่งเห็นคนอื่นเขามีเงินเยอะๆแต่เรามีเงินน้อยกว่าเขานะก็รู้สึกด้อยนะก็ต้องหาทางคอร์รัปชันหาทางคดโกงนะแต่ถ้าคนเราเนี่ยหาความสุขนะพบความสุขที่ใจนะคนเราถ้าพบความสุขที่ใจมีความสุขทางใจเนี่ยมาทดแทนไอ้ความสุขทางวัตถุเนี่ย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 อยู่อย่างซื่อตรงสุจริตในขณะที่เพื่อนๆ เ, เนี่ยเขารวยเอารวยเอาเนี่ยมันทํายากนะเพราะว่าเราอิจฉาเขาเราอยากอยากจะรวยเหมือนเขานะเขามีมากเราก็อยากจะได้บ้างนะคนที่คิดแบบนี้เพราะไม่มีความสุขภายในความสุขเค้าเนี่ยมันต้องอาศัยการมีวัตถุนะต้องมีสิ่งเสพนะต้องมีรถต้องมีบ้านนะต้องมีเครื่องประดับประดา ถ้าตาใดคนเราเนี่ยยังยังต้องอาศัยความสุขสนิดนี้นะมันก็ยังมีแรงจูงใจที่อยากจะอยากจะรวยนะและถ้ารวยนะด้วยวิธีที่สุจริตไม่ได้มันก็ต้องหาทางรวยด้วยวิธีที่ทุจริตนะเช่นโกงคอร์รัปชันค้ายานะหรืออย่างเบื่อก็ไปเล่นนะไปเล่นการพ น, นันซึ่งแทนที่จะทำให้รวยก็อาจจะ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 เกติยนเอาว้นันเอาไว้นะฉะนั้นถ้าเราอยากจะประพฤติทำให้สุดจริตเนี่ยจะต้องสามารถเข้าถึงความสุขทางใจได้นะความสุขทางใจเนี่ยเบื้องต้นก็เกิดจากความรู้จักพอนะเรียกว่าสันโดษนะประการต่อม า, อาคือว่าอ่านะรู้จักนะพบกับความสงบในใจ นะความสงบเนี่ยถ้าเรามีแล้วเนี่ยนะมันสูกยิ่งกว่าไอความสนุกสนานหรือรสชาติอร่อยอร่อยจากวัตถุสินะและความสงบทางใจมันจะมาจากไหนก็มาจากการภาวนานั่นแหละนะโดยเพราะถ้าเรารู้จักสตินะมีสติเนี่ยมันช่วยรักษาใจให้สงบได้เพราะอย่างที่พูดมาหลายครั้งว่าคนเราเนี่ยนะถ้าว่าปล่อยให้อารมณ์มันครอบงำเพราะถูกสิ่งยั่วยุ หรือเยา้ายวนนะยั่วยุนี้ก็คือยั่วยุให้โกรธเยา้ายวนคือเยา้ายวนให้ให้โลภให้หลงให้อยากมันก็ไม่มีความสุขใจนะจิตก็จะกระสรับกระส่ายต้องดิ้นรนสแสวงหาเงินทองหรือแมก็ต้องแก้แค้นนะเพราะว่าถูกยั่วยุให้เกิดโทสะมันก็ต้องตอบโต้ออไปแต่ถ้าเรามีสตินะอารมณ์ที่เกิดจากการเยา้ายวนหรือยั่วยุเนี่ยมันก็มาครองใจไม่ได้ นะมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันมันก็วางมันก็เบาลงมีความโลภเกิดขึ้นอยากจะ อ, อยากจะมีสิ่งเสพนะแต่ว่าพอรู้ทันนะมันก็สงบลงนะความสงบในใจเนี่ยนอกจากสมาธิแล้วเนี่ยสติก็สำคัญมากเนะ่งั้นถ้าเราถ้าเร า, ามันเจริญสติอยู่เสมอเสมอมันทำสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำเนี่ย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 นะต้องเหนือการดูแลแล้วก็รู้สึกว่าไม่พออยู่เสมอมันจะรู้สึกพร่องอยากจะมีให้มากแล้วก็มากแล้วก็มากคนสมัยนี้ไม่ได้แค่อยากจะรวยนะแต่ต้องการรวยกว่าคนสมัยนี้ไม่ได้แค่อยากรวยแต่ต้องการรวยกว่าด้วย <_" S 2> คือรวยร้อยล้านนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะมันรวยพันล้านเนี่ยไม่มีความสุขนะงั้นคนสมัยนี้ไม่ได้แค่อยากจะรวยแต่ต้องการรวยกว่า และความต้องการรวยความมันทำให้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดสักทีแต่ถ้าเราพบความสุขทางใจนะด้วยอาอนิสงส์ของสมาธิภาวนาหรือการเจริญสติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราสามารถที่จะอยู่ได้นยอย่างเป็นสุขแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเนี่ยพระอารหันเนี่ยหรือพระริยเจ้าเนี่ยหรือแม้แต่พระที่เป็นปุถุชนเนี่ยนะ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 มีตัวเองเป็นเพื่อนนะเรียกว่าเป็นมีดกับตัวเองคนเดียวนี้ไม่เป็นมีดกับตัวเองนะหาหามีดในตัวไม่เจอก็เลยต้องไปหามตดจากคนรอบข้างคนรอบข้างชวนให้ไปกินเหล้าชวนให้ไปค้ายาชวนให้คอรัปชั่นก็ไปต้องยอมไม่ได้อยากทำนะหลายคนไม่ได้อยากทำแต่มันกลัวกลัวเขาจะไม่ครบนะกลัวเขาจะปฏิเสธเนะความกล้ามันหายไปไหนนะก็เพราะว่านะ ไม่รู้จักเคารพตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองนะไม่ไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยนะคุณค่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวเรานะไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นอย่าถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะมีความกล้ากล้าที่จะทำดีกล้าที่จะปฏิเสธความชั่วนะกล้าที่จะปฏิเสธการคอร์รัปชันแม้ว่าคนรอบข้างหรือเพื่อนเพื่อ น, นเขาจะอ่าเขาจะชักชวนเขาจะคมขู่ก็ตามนะ ที่จริงความกล้านี่เป็นส่วนหนึ่งของนักปฏิบัติธรรมนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยนะพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะนะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะและถ้าถึงคราวนี่ก็กล้าที่จะสละชีวิตได้เพื่อรักษาธรรมพระริยเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านก็กล้าสละชีวิตนะเพื่อรักษาธรรมไม่ยอมทําชั่วคนเราเนี่ยนะต้องตระหนักตรงนี้อยู่เสมอนะ นะถ้าเราทำชั่วเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะมันจะได้สุขชั่วคราวอาจจะได้รับการยอมรับจากเพื่อนจากคนรอ บ, รอบข้างแต่ว่าไม่มีความสุขมันจะคอยไอความผิดเนี่ยความผิดบาปเนี่ยมันจะคอยเกาะกินจิตใจนะมีคนหนึ่งนะเคยเป็นตำรวจนะแล้วก็คราวหนึ่งก็ไปจับไปจับเจ้าของร้านนะเพราะว่าเขาขายอาหารเกินเวลา ที่จริงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของรา้านเนี่ยไม่ได้ให้เงินนะไม่ได้ให้สินบนไม่ได้ให้สวยนะก็เลยมีคำสั่งให้ไปจับนะแต่ว่าเจ้าของรา้านเนี่ย Así, ables, <ๆ>เขาก็หลบไปได้แล้วก็มีคนอื่นมารับแทนตำรวจนี่ก็รู้นะว่าคนที่เขาจับเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของรา้านตัวจริงนะเป็นแค่หุ้นสะ่วนเล็กๆนะแต่ที่เขายอม <c oughs> มายอมมาเป็นจำเลยได้เพราะว่าเจ้าของร้านตัวจริงเนี่ยเขา ให้คำมั่นสัญญาว่าเดี๋ยวจะช่วยให้หลุดนะเพรา ะ, ะสมัยนี้เนี่ยการใช้เงินเป่าคดีมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านตัวจริงก็ไม่มาช่วยนะส่วนคนที่เป็นแพ้ย์ก็เลยติดคุกไปติดคุกไปติดคุกก็เสียใจนะเสียใจก็เลยฆ่าตัวตายนะผูกคอตายในคุกตำรวจเนี่ยนะ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 ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นนโยบายที่ดีที่สุดนะเป็นนโยบายทำธุรกิจนที่ดีที่สุดจริงมันไม่ใช่แค่นโยบายทางธุรกิจที่ดีที่สุดเท่านั้นนะ <c oughs> มันเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับการมีชีวิตอย่างผาสุกแล้วก็ถ้ามีพบหน้าก็ได้ไปสุขติแล้วก็พอสมควรกัเวลาแล้วก็อยุตินะการแสงธรรมกถาแต่เพียงเท่านี้นะ